ม, มันโลภมากขี้เกียจขี้คลานหน้าด้านหน้าทนนะไม่ปฏิบัติลองอกนะเฮียาก็จะฟังซีดีหลวงพ่อฟังเล่นๆไปเรื่อยแล้วหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลนะุแล้วก็หลงทั้งวันนะฟังไป ค, คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปฟังแล้วไม่ได้มารู้เนื้อรู้ตัวเลยนะหรือบางทีมาที่วัดนะัมานั่งเมื่อไหร่จะมีวัคทองเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเทศประโยคเด็ดที่เราฟังปิ้งเลยบรรลุไม่ต้องทํานี่พวกขี้เกียจขี้คลาน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 ยอมรับความจริงได้ก็จะถูกเมื่อนั้นมีบางคนภาวนาบอกทอแท้ใจท้อใจล้ภาวนามันเจริญแล้วก็เสื่อมไปจเจริญแล้วก็เสื่อมไปนั้นเพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมรับความจริงวา่งาจิตมีธรรมชาติจเจริญแล้วเสื่อมเห็นไหมโอ้ท้อใจท้อใจไม่ท้อมันทํำไมจิตมันเจริญแล้วเสื่อมนั่นความจริงของมันต่างหากถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้ใครจเจริญอ่ะใครเสื่อมอ่ะจิตเจริญจิตเสื่อม